เรื่องเล่าผีหลอนตอนปราบปอบเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้พี่ชายของเพื่อนคุณวาได้เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งโดยเรื่องราวที่คุณวาได้รับฟังมาก็มีอยู่ว่าผมชื่อต้นครับทำงานอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนั้นผมยังไม่มั่นใจว่าจะไปหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นได้ข่าวว่าพวกผีปอบชอบออกสิงสู่ชาวบ้านแต่ช่วงนั้นผมไม่ค่อยมีเงินก็เลยตอบตกลงไปวันต่อมาผมและคนงานคนอื่นๆก็ขึ้นรถเตรียมตัวไปยังที่ทำงานพอเดินทางไปถึงมันก็ดูน่าอยู่ดีครับ ผมและคนงานกำลังเดินเก้ๆกักงๆกันอยู่ก็มีคนที่ดูมีอายุหน่อยเข้ามาเรียกเขาก็คือหัวหน้างานนั่นเองเขาเรียกให้ไปดูที่พักพอไปถึงที่พักมันเป็นห้องพักที่อยู่ติดติดกันแต่แยกเป็นหลังหลังไป แต่ละหลังนั้นก็มีห้องที่พอนอนได้ประมาณห้องละ 4-5 หคนซึ่งทั้งหมดนั้นมันมีอยู่สามห้องคนงานก็มีกันทั้งหมดประมาณสิบกว่าคนก็เลยแบ่งให้พอนอนกันทุกคนหลังจากที่เราแบ่งคนนอนที่ห้องต่างๆเรียบร้อยพวกเราก็ปัดกวาดพวกฝุ่นต่างๆออกแล้วหาจองที่ที่ตัวเองจะนอน ผมได้ที่ริมสุดต่อจากผมก็คือกำแพงทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็คือคนงานอีกคนหนึ่งพอตอนเช้าพวกเราก็เตรียมตัวไปทางานพอนับคนดูก็พบว่ามีคนที่ขาดไปหนึ่งคนซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่นอนห้องนอนที่สามส่วนผมนอนห้องที่หนึ่งนะครับ คนที่นอนห้องเดียวกับคนที่ขาดไปนั้นเขาบอกว่าก็ออกมากันหมดแล้วนะแล้วนี่หายไปไหนล่ะเนี่ยพวกเราก็เลยเดินไปดูที่ห้องก็ไม่มีใครเราเลยสงสัยกันว่าเขาหายไปไหนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่ใหญ่สุดในกลุ่มได้บอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกเดี๋ยวมันก็ตามไปเพราะตอนนั้นมันก็สายมากแล้ว หลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางไปทำงานหัวหน้างานบอกว่าอา้าวเรียกเพื่อนมาอีกเหรอือแบ่งที่นอนกันพอเหรือเนี่ยผมกับทุกคนในกลุ่มก็หันหน้ามองกันทันทีแล้วบอกกับหัวหน้างานว่าจะมาจากไหนอีกคนละครับเพื่อนผมที่มามันไม่สบายก็เลยขาดไปอีกหนึ่งคนด้วยซ้ำแล้วใครจะมาอีกครับ หัวหน้างานเลยบอกว่านี่ไงเอา้าไปไหนแล้วล่ะหัวหน้าเลยบอกว่าไปทำงานเถอะพวกเราก็เลยเดินแยกย้ายกันไปทำงานหลังจากทำงานเสร็จพวกผมกับพี่ๆเพื่อนๆก็กลับไปยังที่พักพวกที่พักห้องสามก็เดินมาบอกว่ามันกลับมาแล้วเราเลยเดินไปถามว่าไปไหนมา เขาก็ไม่ตอบแล้วเดินออกไปจากนั้นก็เดินกลับเข้ามาใหม่แล้วบอกว่ามีคนเรียกให้เดินเข้าไปในป่าหลังจากนั้นก็จาอะไรไม่ได้เลยพวกเราก็เลยสงสัยกันผมและพี่ๆห้องสามจึงนัดกันเดินออกไปซุ่มดูในตอนกลางคืนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผมกับพวกพี่ๆได้เดินเข้าไปในป่าที่อยู่ ใ, นในกล้กับที่พักแล้วสักครู่หนึ่งก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยมากสวยราวกับว่าเป็นนางฟ้ามาโปรดเลยทีเดียวผมกับพี่ๆถึงกับตะลึงตอนนั้นพวกเรายืนนิ่งดูอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินไปยังห้องที่สามแล้วเรียกเพื่อนผมคนที่หายไปตอนเช้านั้น แล้วอีกราราวสองนาทีเพื่อนผมคนนั้นก็เดินออกมาหาผู้หญิงพี่ผมก็เลยเดินเข้าไปหาเพื่อนแล้วตะโกนถามว่ามึงมาทำไมมึงต้องอยู่ที่ของมึงพี่คนที่ตะโกนนั้นแกมีวิชาอาคมพอตัวแกบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมันคือปอบมันมาหลอกให้เพื่อนผมไปหาอาหารพวกเป็ด มาให้มันกินทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นจากที่ดูสวยๆก็กลับกลายเป็นผู้หญิงแก่หน้าตาหน้ากลัวดูสภาพเหมือนกับซากศพที่เผาไม่หมดแล้วนางปอบมันก็พูดว่าไอ้นี่มันเรียกกูมาเองมันให้กูมาอยู่กับมันพี่คนที่มีวิชาอาคมก็บอกว่าถ้ามึงไม่พูดความจริง กูจะไม่ให้มึงได้ไปพูดไปเกิดเลยแต่ถ้ามึงพูดความจริงกูจะให้มึงไปเกิดมึงเลือกอันไหนแล้วนางปอบมันก็บอกว่ากูไม่อยากเกิดใหม่แล้วกูก็จะฆ่าพวกมึงทุกคนเลยด้วยพอพูดจบผี่คนที่มีวิชาอาคมคนนั้นก็หยิบมีดหมอออกมาแล้วสวดคาถาอาคมลงใส่มีดพอแกสวดเสร็จ ก็บอกผีปอบอีกครั้งว่ากูจะให้มึงคิดดูใหม่มึงคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วมีความสุขไหมหรือว่ามึงจะไปเกิดใหม่มึงเลือกอันไหนก็ว่ามาปอบมันก็ตอบคำตอบเดิมคือกูไม่เกิดใหม่กูชอบอยู่แบบนี้ผีคนนั้นก็เลยบอกว่ากูให้โอกาสมึงแล้วนะมึงไม่ฟังกูเอง จากนั้นพี่เขาก็หยิบมีดชี้ขึ้นฟ้าแล้วบอกว่าเท hey, ว ด, ดาทั้งหลายแหล่อย่าให้อีปอบตนนี้ได้ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นใดๆอย่าได้ให้มันเหยียบแล้วพี่เขาก็เอามีดหมอปักลงดินผีปอบมันร้องดังมากแล้วบอกว่าข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้ว หลังจากนั้นผีปอบก็หายวับไปในทันทีพี่เขาบอกว่ามันลงนรกไปแล้วละ่ะมันจะไม่ได้มากวนพวกเราแล้วตอนนั้นมันเวลาเที่ยงคืนกว่ า, วาแล้วผมเลยบอกพวกพี่พี่เพื่อนๆนที่นอนอยู่ว่าผมขอลาหนึ่งวันนะเพราะยังไม่ได้นอนเลย แล้วหลังจากนั้นก็ทํางานอยู่ที่นั่นได้สักระยะหนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวห ล, ลอนจากคุณวาด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน สา ม, มารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage หรือว่าอ e ีเมลที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ